ทรงบัญญัติรุงสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบพระอัศชิและพระปุณพสุกะถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่พระอัศชิและพระปุณพสุกะถูกสงลงปรับภาชนยกรรมแล้วกลับกล่าวหาว่าพวกภิกษุลำเอียงเพราะชอบลำเอียงเพราะชัง ลําเอียงเพราะหลงลําเอียงเพราะกลัวในกุละทูสกะสิกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัติ6กสมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานหนึ่งสมุดฐานคือเกิดทางกายวาจากับจิตสังคาทิเศษส3สสิกขาบทจบ